ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข อ, อเชิญเทพหกชั้นผมยี่สิบชัน้นเทพพรมทุกชัน้นทุกพบทุกภูมิสวดกำลังจั ก, กรพรรดิพ อ, องกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ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 หามังสารังฆาจามิสังฆสารังฆาจามิทูติยามปีอุทังสารังฆาจามิทูติยามปีธรมังสาังฆาจามิ ภูติยามปิสังภังสารังฆะจามิตาติยามปพุทธังสรรังฆะจามิตาติยามปิธรรมังสารังฆจามิตาติยามปสังภังสรังฆจามี ปาณาติปาจาเวรมนีสิกขาปุทังสมาธิยามิอารินาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยานิอาะพรมาจาริยา เวรมานีสิกขาปทังสัมมาทิยามิมุสาวาาเวรมาีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุรามรยมะชะอมาตถานาเวรม มีสิกขาปัตตาสมาทิยานิอิมานิปัญจสิกขาปัตตาณิทิยานิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอมานิปัญจสิกขาปทาณิ สีเรนะสุขสิ่ยันติสีเรนะโพกสัมปทาสีเรนะนปุสิ่งยันติทัสสะมะวิโสทะนะโมตัสสะภาควะโตอาหะสมาสัมปุตตะสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะต a สัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะตุสัมมาสัมพุทธะผูฏฐังอาระธะนาลังคารุณ อามังกานัการุณนังการุณีนามโหติสัจโอากันติมายะอิติปะานามโหติสัโอากันติมายะอิทิา namo โพธิสัตว์โตอาคันติมายะนามอโพธิสัตว์โตโคมะันโยนามอโพธิสัตว์โตโคมะันโยนามอโพธิสัตว์โตโคมะันโยโยทโสโมหิตเต นาพุทัสสังหิปาปะโตมายาคมังหิกาตังโทสังสัพพะปังสันตุโยโทโสโมหิตเตนาธรรมสังหิ k าปะโตมายะคามังหิ กตังโทสังสัพพะปปังวินาสันตุโยโสโมหิตเตนะสังฆะเสงีปะปโตมายาภมะทมกัตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุ นาโมทัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะ นาโมพุทธายะพระพุทธายรัตน a า a มามีนภรัตศีสาหาสุธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆเยธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา หาี ท, ทิธานังวรังกันทังสีวริธมหาเถรัาหังวันทามิทุรโตหังวันทามิทาติโยหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะภูเสมินะโม พุทธาไตรักษณ์านมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพูตโทธรรมโมสังโฆยะถาุูมินะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีทานังวารังพันธังสีวะรีกามหาเถระ อาหังวันทามิตุลโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเชมินาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตระยานมานีโนปรัตถ์สีสาหาสุตัมมา 佛陀ธรรมโมสังโฆยะถาภูโินะภูทาภูชาธรรมะภูชาสังฆะภูชาปีทางวะรังคันธ์สีวรีกรรมาหาราหังวันธานิทุระโตหังวันธานิทาตโย อังวันธามิสัพสะโสพุทธะธรรมะสังฆาภูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณยาณมะนีนภพรัสสีสาหาสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาภูมินา บูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางศีวารีสมหาเถระอาหังวันทามิธุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพพโสบูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นโมพุทายะพระพุทธไรยตระนัยานณมานีนพรัตติสีหาหาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะาพูทโมนะพุทธาูชาธรรมะูชาสังฆาูชาทิทานังวารังคันัง สีวล ah ah ah ีกรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรมสังฆาปูเินนาโมพุทธายะระพุทธายตระยานมายีโนปาระ สีสาหาสาสุธรรมะปุธรมโมสังโฆยะถาูุโมนะปุะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวรังตังศีวะรีกรรมหารอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาติโย อาหังวันภานิสัพสะโสพุทธะธรรมะสังฆาูุเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนยยานนาโมพุทธัสสะสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาพีทาหนังวารังคันธ์สีวลีจามาหาเถระอาหังวันทาณิทุรโตอาหังวันทาณิทาตุโยอาหังวันทาณิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธยะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตตสีสาหาสัจธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธามชาธรรมะมุชาสังฆามุชาทิธางวรางคันัง สวลีรรมมหาเถรังอาหังวันธานิตุระโตอาหังวันธานิอาตุโยอาหังวันธ า, ห า, ห น, า, มม น, านิสัพพโสพุทธะธรมสคาปเตนินโมพุทธายะพระพุทธายะตระยานมานีโนป ร, รั สีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาอุโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังคันธังสีวรีธมหาเถระอาหังวันทาณิตุระโตอาหังวันทาณิตาตโย อาัวันธามิสัพพโสภูตตาธรรมสังฆูเชนินโมพุทายะพระพุทธไตรยตนะยานมาณีนพรัตติสีสาหาชาสุตังนาพูทโธธรมโมสังโฆยะถาพูตโมนา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธางวารังกันธรงมีวตริจมหาเถรังอาหังวันธามิท ah ุระโตอาหังว ah ันธานิทต ah ุโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัิสีหาหาสุตธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุโมพุทธาูชาธรรมะูชาสังฆาูชาทิธางวรังคันัง สีวลีธรรมาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเชนินาโมพุทธายะลาพุทธะไตรตระยงงานลามีนโนภาละ สีสาหาชาสุธรรมะพูทโธธรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะพุธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปีทานังวารังการังสีวารีสังหาเถรังอาหังวันทาไิทุระโตอาหังวันทาไมอาติโย อาังวันทานิสัพพโสพุธาธรรมะสังฆูเชนินโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระยานมานีนะรัตติสีสหัาสุธัมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธรรมศิวตรีมหาเสรังอาหังวันทานิทุรโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสปพพโสพุทธธรรมสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมาหีนอปารัตสีสาหัสสุธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธามูชาธรรมะมูชาสังฆามูชาทีทานังวารังพันธัง สีวลีจามหาเถรังอาหังวันทานิทุรโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมสังฆาูุเสนินาโมพุทธายะรากุทธะไตรจตระยานมณีนพรัต สีสาหาธาสุธรรมาโคตโธธรมโมสังโฆยะธาภูโณนะโคทาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาหาหนังวะรังคันธังสีวารีธมรมะเจรังอาหังวันทาณิทุลโตอาหังวันทาณิทาทิโย อาหังวันาภ า, ณ, ภาณีสัพพโสโหตาธรรมะสังฆะอุเทนีเอาแปกำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดไปที่บิดามารดาและโมยา่าตั้งหลายผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนิสับ เปโธาสสะเปถะมาสะเพสังฆาอาลัพตาปะเจกานันจะยังพลังอาหันตานานจะเจเจนารักังสปโสสะเปโธทัสสพเปถะมาสะเพสังฆา 阿拉巴达巴杰嘎南扎央卡拉阿拉达南扎西杰纳拉康萨贝菩萨萨贝唐玛萨贝桑卡阿น巴达巴杰嘎南扎央ัง ขังานันจะเตเทนารักขังปันธานิสัพพโสสาเพพุทธาสาเพยธรรมาสาเพสามตาปัตาปัจเจกานันตะยังพลังอาลังจานันจะเตเทนารักขังปันธานิสัพพโส สัพเพพุทธสัพเพธัมมาสัพเพสังฆะอัตตาปัเจกานันติยังพลังอาลังานันจเตเจนรักฐังปันตามิสพเพพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ ทิฏฐานถ้าในทฐานรวมกำลังจั ก, กระพัที่เราสวดทุกวันเวลาสับเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระท่วน้าพระเมงพระที่ทรงเครื่องนัว ม, มันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กรพัทิหรือพะะระอรหันต์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 เพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังกาภาระปัตตาปเจกานันเจยังวะรังภาระหันจานันจะเอเจนารับขังพันตามิสัพปโส สัพเพพุทธาสัพเพธรามาสัพเพสังฆะอาระปตาปเจกาณจะยังพลังอาระหันตาณญจะเอเจนารักขัง e ปันตามิสัพโส พุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาภาระปัตารปเจกานันเจยังวรังอาระหันตาณจเตเจนารักข ah an ังมีสัพปะโสพุทธังอธิฐามิ คำมังอธิษฐามิสามคงอธิษฐามิเสร็จแล้ว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 เริ่มตั้งแต่ฐานสีเนคขมปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศภารีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา ภาระปัจานาเจกาณเจยังภารังอารามทานานจะเจเจนารักขังนิสปะโสสาเตพุทธาสาเปตัมมาสาเปตังคา ปัตตาปเจกานันเจยังวรังอาราหันตานันจเจเจนารักขังพันธานิสัพสโสสะเพโธทัสสะเปธรรมาสะเปสังขาภาระปัตตาปเจกานันเจยังวรัง อาหันตานัตเตสนารังภามิสัพพโสสาเพพุตาสาเพธัมมาสาเพสังฆาภาระปัจจัปัจเจกานันติยังวะรัง อาหันตานันจ่าเทเจนารังมีสัพพโสสัเพพุทธาสัทเพธรรมาสัทเพสังฆาทาราปัจาราเจตานันเทยังว่า อาวันตานาจาอเีนารถมิจสัสสุทธฑางอธิษามิธัมมอธิษามิสามางอธิษฐาิ